เทศอบรมในคืนวันที่3ธันวาคมพศ2569ณวัดป่าบานาตัดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปันโมพระพุทธศาสนาเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งมาก ยากที่เราจะต่จยองให้ถึงรากฐานแห่งศาสนาอันแท้จริงได้แต่ความจริงคำว่าศาสนากับใจของเรานั้นย่อมติดแนบกันมาเป็นเวลานานาแต่ไม่สามารถ จะเรื้องปืนศาสนาขึ้นมาให้รู้ตามหลักความจริงและนำออกเป็นธรรมประโยชน์แต่ตนเนี้ย่วนรวมได้เท่านั้นถ้าเราคิดดูเผลอเ ก, ก็เหมือนกับว่าศา ส, สนาเป็น ส่วนหนึ่งต่างหากจากตัวของเราเหมือนกับจะตั้งอยู่เป็นถิ่นเป็นฐานหรือเป็นม้านเป็นเรือนติ่ตามสถานที่ต่างๆใครเดินไปที่นั่นที่นี่ก็จะไปเจออว่าศาสนาอยู่ที่นั่นที่นี่ถ้าที่จริงไม่เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าตรัสดูที่ประเทศอินเดียดังที่เราได้ทราบกันมาเป็นเวลานาน น, นานนั้นนั่นหมายถึงสถานที่ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญตนเต็มภูมิแห่งธรรมแล้วธรรมะอันเสริฐนั้น ก็แสดงขึ้นมาอย่างเปิดเผยภายในพระไทยของพระพุทธเจ้าในที่นั้นพระองค์เองได้ทราบในที่ใดก็ได้ตรหนักพระไทยและเป็นที่แน่จะพระไทยพระองค์ว่าเราได้ตรัสรู้ในที่นี้นี่เป็นเครื่องหมายแห่งสถานที่แต่ที่ท เป็นที่เกิดขึ้นแห่งธรรมอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริง น, นั้นหมายถึงพระไทยที่บริสุทธิ์เปลี่ยนสภาพจากความเป็นมัตตขึ้นมาภายในใจดวงเดียวนั้นกลายเป็นวิวัตตะขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ในพระไทยของพรงเองนี่คือสถานที่ตระัสรูปอันแท้จริง ทำก็มีอยู่ในสถานที่นั้นความตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในที่นั้นสิ่งที่เป็นค่าศึกทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจเป็นมาเป็นเนลานานก็เลยสลายตัวลงไปหมดไม่มีสิตใดปรากฏจะเป็นค่าศึกต่อไปอีกในพระทยัยในจุดนั้น นี่เป็นสถานที่หรือเป็นจุดที่ตรัสรู้เป็นที่อุบัติขึ้นแห่งธรรมะเป็นที่อุบัติขึ้นแห่งพระพุทธทเจ้าอันแท้จริงคือในพระทัยของพระองค์ท่านส่วนสถานที่เป็นที่อาศัยนั่นเป็นประเภทหนึ่งต่างหากฉะนั้นพระพุทธทเจ้าจึงไม่ ทรงถือเป็นข้อหนักแน่นอะไรนะักกับสถานที่ต่างๆ น, นอกจากจะให้เป็นทาเลสำหรับการบําเพ็ญเพื่อตรัสรู้ในจุดอันแท้จริงนี้เท่านั้นฉะนั้นหลักสัจจะคือความจริงทุกประเภทแม้จะทรงสัง่งสอน บรรดาสัตว์ในที่ใดๆข้อตามจะต้องยกสัจจะขึ้นจากพระองค์ท่านและบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งเป็นสัจจะด้วยกันออกแสดงคำว่าสัจจะคือความจริงถ้าทมก็ทมของจริงนี่มีอยู่กับ ตัวของแต่ละบุคคลแต่เราไม่สามารถอาจรู้ได้ในสัจจะประเภทหนึ่งหนึ่งว่ามีความจริงภายในตัวเองและเป็นความจริงสำหรับผู้พิจารณารู้นั้นได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นพระพุทธเจ้าจริงเล ทรงชี้แจงให้ฟังในสิ่งที่มีอยู่ของตนให้เปิดเผยขึ้นมาทราบชัดเป็นชั้นๆ น, นี่เป็นจุดสำคัญของาศาสนาธรรมบรรดาสาวกที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามาเป็นลนำดับับยอมตรัสรู้ในสถานที่ต่างๆกัน ตามแต่ตนจะบำเพ็ญอยู่ในสถานที่ใดเป็นที่สะดวกและเหมาะสมสาหรับความเพียรแต่จุดที่จะเคลื่อนคลาดกันไปไม่ได้คือเป็นจุดอันตายตัวเช่นเดียวกันนั้นคือจุดแห่งสัจธรรมสัจธรรมท่านกล่าวไว้ว่ามีสี่ประเภทคือทุกสมุทยัยนิโรธมร ทั้งสี่นี้มีอยู่ภายในดวงใจสาติจจสองประเภทนตน้นคือทุกข์สมุทัยนี่เป็นฝ่ายฆ่าศึสัจติสองข้างหลังคือมรรคกับนิโรธนี่เป็นฝ่ายกำจัดฆ่าศึเหมือนกับความมืด กับความสว่างมีอยู่ในที่อันเดียวกันเชนั้นเมื่อไม่ตามไปขึ้นมาความมืดก็ย่อมปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นหรือเมื่อแสงพระอาทิตย์ไม่ฉายออกมาความมืดนี้จะต้องมีอยู่อย่างนี้เป็นอนันตการแต่เท่าที่ความมืด ไม่ปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นตลอดการก็เนื่องจากพระอาทิตย์ในฉายแสงออกมาตามการของตนความมืดก็หมดไปตามการเมื่อพระอาทิตย์รับลงไปความมืดก็ปรากฏขึ้นมามีเรื่องของความมืดความสว่างของโลกที่ปรากฏมีความเปลี่ยนแปลงกันอยู่เช่นนี้ก็เพราะ มีสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกันอยู่ถ้าหากจะมีแต่ความมืดอย่างเดียวโดยไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องคือแสงพระอาทิตย์ไม่มาทำลายความมืดอันนี้ความมืดอันนี้ก็จะเป็นอยู่ตลอดอนันตากาลถ้าต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรจากสายตาที่ ท่านผู้มีในตาอันดีก็ต้องสุดไฟใต้ตะเกียงหรือเปิดไฟฟ้าขึ้นมาความมืดก็สลายตัวไปเราก็ทำงานได้ด้วยความสะดวกสบายเพราะมองเห็นสิ่งต่างๆได้โดยชัดเจนด้วยความสว่างนั้นนี่ถ้าจะปลอ่ปลอยให้ตั้งแต่ความมืดภายในจิตใจ ทำหน้าที่ต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเข้าส่องแสงเข้าไปถึงเลยโลกแต่ละรายละลายหมายถึงบุคคลและสัต์แต่ละประเภทหรือแต่ละรายละลายนั้นจะไม่มีทางหลุดพ้นตัวไปได้เลยจะจมอยู่กับความมืดคือโมหะอวิชชาอันนี้ครอบงำอยู่ตลอดอนันตาการ เพราะไม่มีแสงสว่างเท่าที่มีผู้ที่เห็นความแจ้งความสว่างและความมืดที่เคยเป็นมาได้ก็เนื่องจากมีคนดีอยู่ในโลกไม่ขาดสูญไปเช่นพระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสรู้ขึ้นมาก็เปรียบเหมือนกันกันกบพระอาทิตย์ได้สองแสงขึ้นมาแล้ว ทำโลกให้สว่างสวยัยเรี่วงนี้นำพร่ำสอนบรรดาสัตว์ที่เต็มไปด้วยความมืดทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ภายในจิตใจไม่มีเวลาสว่างนั้นให้ได้รับแสงแห่งพระสรธรรมของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆแล้วก็ดูจกักวิธีแก้ไขบาเพ็ญตนเองไปตามสติกำลังความสามารถ แม้ร่างกายจะสลายลงในอัตภาพนี้ก็ยังพอมีประทีปดวงธรรมเป็นอมีสายปัจจัยส่องหนทางให้รู้แห่งผลตาบลที่เกิดพอมีที่ปร่งที่วางจิตใจลงได้บ้างเนื่องจากคุณงามความดีที่ตนได้บําเพ็ญมาเป็นเครื่องสนับสนุนแห้นับความสุขความเจริญในภพชาตินั้ น, น, น ผู้มีอุปนิสัยสามารถเนื่องจากความเพียรไม่ลดลนะเมื่อได้รับพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าองค์นั้นนั้นแสดงให้ฟังซึ่งเปรียบเหมือนกับแสงพระอาทิตย์ส่องลงในที่มืดใอ้เห็นสิ่งที่เป็นค่าสุดและสิ่งที่เป็นคุณก็สนุกที่จะเลือกเฟ้นสิ่งที่เป็นคุณ กบเป็นโทษแยกออกจากกันได้เป็นลำดับลำดับจนสามารถเลือกเฟ้นได้โดยสิ้นเชิงหรือแต่ธรรมชาติที่บริสุดผุดขึ้นภายในจิตใ จ, จกลายเป็นภาริยบุคคลท่านสูงสุดขึ้นมาก็ตามเสร็จพระพุทธเจ้าไปได้ทันนี่คือท่านผู้ติดพ้นแล้วจากความมืดที่เรียกว่าโลกันตะภายในใจ คำว่าโลกันตะนี้ความมืดไม่มีกลางวันกลางคืนนั่นแหละท่านเรียกว่าโลกันตะภายในใจตาเห็นหูได้ยินใจก็รู้แต่ไม่ทราบว่าสิ่งใดดีและชั่วจะควรแก้ไขสิ่งชั่วและปฏิบัติตนเพื่อความดีอย่างไรบ้างนั้นไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะไม่มีผู้ชี้ช่องบอกทางให้รู้นี่เรียกว่าโลกันตะของใจนี่ไม่มีเดือนไม่มีปีไม่มีเวล่วลาไม่มีการสถานที่ใดๆเท่งนั้นจะสามารถเข้าไปทําลายความมืดอันนี้ได้นอกจากแสงสว่างแห่งพระัธรรมเท่านั้นแหละที่จะสามารถกําจัดความมืดเหล่านี้ไปได้ ความสว่างได้แก่ธรรมะเบิ่มแรกก็ได้จากการสดับกรับฟังจากพระพุทธ เ, ทเจ้าถ่ายทอดกันลงมาเป็นลําดับถึงสาวกที่แสดงธรรมแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์เห็นมาสมัยทุกวันนี้ก็คือพระพุทธ เ, ทเจ้าของเราเป็นผู้ให้ความสว่างแก่โลก สามก็ให้ความสว่างแก่โลกมาเป็นลำดับลำดานี่คือดวงประทีปที่เป็นค่าศึกต่อโมหะคือโลกันตะภายในใจของสัตว์หากจะไม่มีดวงประทีปคือพระสัทธรรมนี้แล้วซ้ายโลกนี้จะไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนที่จะรับ ความสว่างจะจมอยู่ในกองทุกข์เช่นเดียวกับสุกรที่นอนจมมู่จมขุดโดยโดยความไม่รู้สึกตัวเช่นนั้นแม้จะเห็นทุกข์เท่าไรก็จะเห็นเฉพาะทุกข์ที่มาปรากฏอยู่กับตัวแต่ไม่ทราบจะหาทางออกจากทุกขได้โดยประการใดเช่นเดียวกับเด็กที่ถูกไฟไหม้เช่นนั้น นเรื่องของความมืดภายในใจเป็นเช่นี้มีสองประเภทที่อยู่ด้วยกันคือความมืดหนึ่งความสว่างหนึ่งความมืดได้แก่โมหะวิชาที่ครอบครางจิตใจไว้ความสว่างได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลคือการบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นลำดับเริ่มตั้งแต่จิตเจตสิกธรรมที่แสดงออกในทางกุศล แล้วทำกายวาจาให้เคลื่อนไหวไปตามความคิดความเห็นนั้นดังท่านนักใจบุญทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาจากสถานที่ไกลๆมีพระนครเป็นต้นได้มาประชุมพร้อมกันอยู่ในเวลานี้และได้บำเพ็ญตนอยู่ตามบ้านตามเรือนนี่เรียกว่าเป็นผู้ เปิดแสงสว่างเพื่อตนเองจะได้ดำเนินไปด้วยความสะดวกสบายราบรื่นและปลอดภัยในปัจจุบันอนาคตนี่เป็นค่าสึกต่อความมืดไม่มีสิ่งใดที่จะ ส, มมสามารถกำจัดความมืดมนอยู่ภายในจิตใจได้นอกจากมรรคปฏิปทาเครื่องนำเนิน คือทานศีลภาวนานี่เท่านั้นจะเป็นผู้กาจัดปัดเป่าความมืดทั้งหลายเหล่านี้ออกได้เป็นลำดับลำดับนอกจากนี้ไม่มีอันใดความมืดประเภทโลกันตะที่ฝังอยู่ภายในจิตใจนี้จะมีความกลัวเฉพาะแสงสว่างแห่งพระสัตธรรมที่เรียกว่ามร คือทานศีลภาวานานี้เท่านั้นท่านผู้ใดมีความใคร่สนใจต่อทานศีลภาวานานท่านผู้นั้นเป็นผู้มีหวังจะแก้ไขโลกันตะภายในจิตใจได้เป็นชั้นๆและมีวันจะผ่านพ้นไปได้จากโลกันตะถึงความบ้างเปล่าแห่งทุกข์ทั้งหลายได้ โดยไม่ต้องสงสัยเพราะทางสายนี้หรือธรรมะระที่ปันนี้เคยส่องแสงสว่างให้โลกมาเป็นเวลานานและโลกทั้งหลายได้พ้นจากความแน่นแค้นกันดาลความทุกข์ในวัฏฏะตรงสารตายได้เป็นจำนวนไม่น้อยจากแสงสว่างคือพระสั ธ, ธรรม นี่แหละจะเป็นเครื่องแก้ความมืดภายในจิตใจได้นั่นเราทั้งหลายที่ต่างท่านต่างอุตส่ามาด้วยความเสียสละทุกอย่างไม่ว่าเวล่วลาหน้าที่การงานทรัพสมบมิมากน้อยแม้แต่ชีวิตก็ยอมพีได้ด้วยอำนาจแห่งความเชื่อในพระสัทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาไม่เช่นนั้นไม่มีท่านผู้ใดจะกล้าสามารถเสียสละหน้าอย่างนี้นี่จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและขอบคุณกับบรรดาท่านทั้งหลา ย, ลายไม่น้อยแล้วโปรดได้พยายามจําและดําเนินทางสายนี้ไป ด้วยความอุตสาห์พยายามจะรกรุงรังขนาดไหนจะมีคลื่นหรือจะเป็นโคลนเป็นตมจะเป็นขวากเป็นหนามในระยะทางที่เห็นว่าถูกต้องนี้มากน้อยเท่าไหร่ก็ตามโปรดได้ค่อยแกวกฝากแวกน้นาบุกลุยคุณตมออโคลนตมนั้นไปจนได้ วันนเล็กละน้อยดีกว่าที่เราจะนอนจมอยู่เฉยๆวันนี้ได้เท่านั้นเก้าวันหน้าเอาเก้าไปอีกได้เท่านั้นเมื่อรวมกันแล้วก็หลายเก้ารวมกันแล้วก็หลายวันรวมคุณงามความดีที่เราพยายามสั่งสมวั น, นเล็กละน้อยเข้าก็เป็นคุณงามความดีจํานวนมากขึ้นมาเป็นลาดับนี่แลจะเป็นกาลังสำหรับกำจัด สิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาอันฝังอยู่ภายในจิตใจของตนได้ออกเป็นลำดับลาดับทางสายที่จะเดินไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยลำดับลาดับนี้คือทางสายแห่งพระสัทธธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็น่ายเหตุได้แก่การดำเนินตา่างส่วนผลนั้นคือสิ่งที่จะรับเสวยจากการบึกบืนหรือฝลนฝ ด้วยความลำบากยากเย็นนี้อันเป็นความสุขที่พึงปรารถนาไปเป็นลำดับลาดับนับแต่วความสุขในเบื้องตน้นจนถึงความสุขอันสุดยอดที่ท่านกล่าวว่านิพพานังประมังสุขขังความสุขที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากมรรคปฏิปทาคือการดำเนินตามร่องรอยแห่งสวัคคาตธรรมของพระพุทธเจ้า โดยไม่เห็นแก่ความยากความลำบากพยายามฝ่าฝืนไปอยู่เช่นนั้นด้วยความเพียนผู้มีความเพียนนี่แลชื่อว่าเป็นลูกผิดพระตัฐาคตไม่นิยมว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสเพราะทางสายนี้ไม่ได้มีการกีดกันหรือขอบเขต ม่ต้องเป็นผู้หญิงไม่ต้องเป็นผู้ชายต้องเป็นเพศนี้เป็นเพศนั้นจึงจะดำเนินไปเพื่อตามธรรมของพระพุทธเจา้าไแต่เป็นทางที่พระองค์ท่านประทานไว้เพื่อสาธุชนผู้หวังความพ้นทุกข์เป็นลำดับลาดับไปเสมอกันหมดเราทุกท่านเป็นผู้มีสิทธิที่จะดำเนิน ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ทียรับผลซึ่งที่ตนดำเนินหรือบำเพ็ญมามากน้อยโดยทั่วหน้ากันตามแต่กำลังความสามารถที่ตนจะปฏิบัติได้แค่ไหนนี่เป็นหลักความจริงและตายตัวของาศาสนธรรมเป็นเช่นนี้เรื่องความมืดกับความสว่าง ที่มีอยู่ภายในจิตใจนี้จะค่อยแปลสภาพไปทั้งสองด้านด้านที่เป็นความมืดก็จะค่อยกลายเป็นความสว่างขึ้นมาด้านที่เป็นความสว่างก็จะเพิ่มกําลังของตนคือเพิ่มความสว่างมากขึ้นเป็นลําดับภายในจิตใจดวงนั้นใจดวงนี้ก็จะถูกตด จากแอกจากภาะซึ่งเคยแบกเคยหามเรื่องเกิดเกิดตายตายมาเป็นเวลานานออกได้จนสลัดออกเสียได้โดยสิ้นเชิงไม่มีจริงใดที่จะเหลือเป็นเครื่องกดท่วงจิตใจนั้นแม้แต่น้อยเนื่องจากการบำเพ็ญตามสัตจธรรมที่เรียกว่าธรรมโมปีิปูของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามสาวกองค์ใดก็ตามไม่ว่าอาดีตที่ล่วงมาแล้วกี่กับกี่กันไม่ว่าปัจจุบันอยางศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราและไม่ว่าอนาคตที่จะปรากฏมาข้างหน้าจะต้องเป็นทางสายเดียวกันนี้ทานั้นผู้ดำเนินก็จะต้องดำเนินไปตามทางสายนี้จะเปลี่ยนแปลงเป็นทางส า, สายอื่นไปไม่ได้ เพราะทางสายนี้ไม่เหมือนอย่างทางโลกทั่วๆไปที่เดินกันทางโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นทางสายนี้เคยเดินมามีความโคความโคง้งเราต้องการจะตัดทางสายใหม่เดินไปก็ได้แต่ทางสายที่พระพุทธเจ้าประธานไว้นี้เป็นมัชชิ ม, มาคือเป็นทางพอตัวอยู่แล้ว ความคดโค้งไม่มีในทางสายนี้แต่เป็นทางสายตัดตรงเข้าไปสู่จุดแหกแห่งมรรคผล น, นิพานโดยไม่มีการปรีกแวะแม้แต่นิดหนึ่งฉะนั้นทางสายนี้จึงไม่จําเป็นจะต้องดัดแปลงใหม่ให้เห็นมากเป็นทางที่ควรตามสมัยนิยมเพราะเรื่องสมัยนั้น นั่นเป็นเรื่องของโลกและเป็นความนิยมเกิดขึ้นจากบุคคลผู้เป็นโลกันตะนลกครอบความใจอยู่ด้วยกันจึงถือเป็นแบบฉบับไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้นิยมแต่เป็นคนมีกิเลสเช่นท่านๆเราเรานิยมกันและมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกเวลา เวลานี้นิยมเช่นนั้นการนั้นนิยมเช่นนั้นเดี๋ยวการนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปนิยมอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีความแน่นอนแต่ศาสนาธรรมที่เป็นทางสายกรงซึ่งเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานไม่มีใครจะสามารถไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้อีกเนื่องจากเป็นมัชชิมาที่ตายตัวอยู่แล้วคำว่ามัชิมาแปลว่าพอดีเสมอ ทำกลางเบื้องตน้นและที่สุดมีความส ม, ม่ำเสมอกันไม่มีความยิ่งดอนในด้านใดด้านหนึ่งพอจะต้องได้ดัดแปลงส่งเสริมเชี้ยใหมน่นี่แหละเป็นแบบฉบับให้โลกได้ดำเนินตามภูดได้ดำเนินตามหลักมัชิมาปฏิปทานีแม้จะเป็นคารวาส ก็เป็นพลนำเมืองดีมีความสุขไปที่ไหนคนมีความรักความชอบนิยมชมชอบถ้าเป็นนักบวชก็ยิ่งดีคนเราไม่ได้งามเพียงรูปโฉมเท่านั้นพรา ร, รูปโฉมนั้นเป็นของที่จะเปลี่ยนแปลงหรือร่องวงโรยไปได้ แต่ความประพฤติอัทยาศัยที่เกี่ยวกับธรรมะเป็นเครื่องย้อมแฝงนี้เป็นสิ่งสำคัญรือเป็นเครื่องประดับเป็นผู้มีคุณค่ามากไม่จิดจางแก่บุคคลที่ได้มาคบค้าสมาคมฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยม ของโลกทั่วๆไปไม่ว่าการสมัยใดๆมีความคงที่อยู่เช่นนั้นพูดถึงการบาเพ็ญทางด้าน จ, จิตใจเรื่องของสมาธิของปัญญาวิมุตตหลุดพ้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการสมัยนิยมเหมือนกัน ขอแต่บำเพ็ญให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ประธานไว้เท่านั้นผลจะพึงตอบสนองขึ้นมาตามหลักหั่งเหตุที่บำเพ็ญโดยถูกต้องจิตจะเคยปัดแปลงหรือพยศมาสักกี่ปีกี่เดือนก็ตามขอให้หลักธรรมะเข้าถึงใจเท่านั้นจะต้องหายพยศไปเป็นลำดับ นอกจากยิตประเภทที่เป็นคนไข่ไม่ยอมฟังยาเท่านั้นจึงจะไม่สามารถระงับดับได้บรรดาภัยที่มีอยู่กับตัวเองถ้าจิตยอมฟังเหตุฟังผลที่ผิดถูก ด, ดีชั่วอยู่แล้วยอมมีวันที่จะแก้ไขตนได้ จะฟุ้งไปขนาดไหนจะดื้อดึงขนาดใดก็ตามจะหนีจากการฝึกฝนทรมานด้วยเหตุผลจากตนเองไปไม่ได้นี่หลักสำคัญที่จะฝึกฝนตนให้เป็นคนดีฝึกฝนใจที่เป็นดวงพยศปรากฏแต่ความมุ่นวายทั้งวันทั้งคืนให้กลายเป็นใจที่สงบ สบายลงได้ต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องฝึกธรมานยอมจะยังเข้าสู่ความสงบได้ถ้าใจไม่สงบใจไม่สบายจะอยู่โลกไหนก็อยู่เถอะไม่ว่าจะอยู่ในที่แจงที่รับไม่ว่าจะอยู่ในป่าในบ้านไม่ว่าจะ อยู่ในน้ำหรือ บ, บนบกไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในเรือนที่ไหนเป็นอันว่าไม่มีความสะดวกทั้งนั้นถ้าใจมีความสงบเยือกเย็นแล้วเราจะอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะหลังใหญ่ก็คือใจพาอยู่พาไปพาให้เคลื่อนไหวพาให้รับความทุกข์ความสุขขึ้นอยู่กับใจทั้งนั้น ใจนี่แหละเป็นตัวการสำคัญสาหรับบุคคลผู้หนึ่งๆทิ้งนอกนั้นเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องอาศัยชั่วระยะการไม่ใช่เป็นหลักใหญ่ของชีวิตซึ่งจะพาให้สุขให้ทุกข์ให้เป็นให้ตายเหมือนอย่างใจตรงนี้แต่ใจตรงนี้เป็นใจที่มีความรู้สึกตัวยังไม่รอบครอบเท่านั้นแหละ เนื่องจากแม่อบรมธรรมะจึงทำความพยศแก่ตนเองเสมอผู้ต้องการให้ใจหายพยศจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับธรรมสนใจกับธรรมะนำมาเป็นเครื่องบังคับตนเองความพยายามวางลงที่จุดไหนจุดนั้นย่อมสาเร็จเสร็จขึ้นมาเป็นขั้นขัน มีอย่าลืมคํว่าความพยายามใจดวงพยศนี่แหละเมื่อถูกความพยายามได้ตามรอยอยู่เสมอแล้วจะต้องพบตัวของตัวพยศแล้วจับตัวได้เมื่อจับตัวได้แล้วก็เหมือนกับเราจับสัตว์เราจะทำอะไรก็ได้ นี่จับใจดวงพยศได้ก็ต้องยอมจำนหนเป็นความสงบเย็นใจนี่เพียงเท่านี้เราก็เห็นความสุขความสบายแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายเย็นไปหมดเพียงใจเย็นดวงเดียวเท่านั้นมองเห็นหมู่เห็นเพื่อนก็สนิทสนมเย็นไปหมดมองเห็นสัตว์ก็น่าสงสารไม่น่าเกลียดหรือไม่รังเกียจไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม แต่มีความเมตตาครอบไปหมดไม่เลือกว่าสัตว์ว่าบุคคลชาติชั้นวรณะใดๆเพราะความเมตตานี่เข้าได้สนิทโดยไม่ยมสถานที่บุคคลหรือสัตว์ประเภทใดๆทั้งนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีพระนามว่ามหาการุณิโกนาโถเป็นผู้มีความเมตตาสงสารโลก ไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนได้หนักสงสารไปหมดไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดเข้ากันได้อย่างสนิท ก, กับใจของพระพุท ธ, ธเจ้านี่คือใจที่หมดพยศแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ถือพระองค์กิริยาที่ถือนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อปล่อยได้หมดแล้วหมดอะไรที่จะถือ พระพุทธเจ้ากับสัตว์ถือเป็นความเสมอภาคกันในความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันความสงสารนั้นพระอง์ได้พ้นแล้วแต่สงสารสัตว์ที่ยังถูกจองจําอยู่ด้วยกิเด็กตัญหาอาสวะพาให้เกิดให้ตายให้เสวยผลกรรมต่างๆเนื่องจากกิ่เล็เป็นผู้บัญชาการให้ทํำกรรมแล้วปรากฏผลขึ้นมาให้รับโดยที่ใครจะช่วยไม่ได้นี่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าสงสารในตอนนี้ ย้อนธรรมะนั่นเข้ามาถึงตัวของเราให้สงสารตัวของเราว่าเป็นนักท่องเที่ยวเกิดเจ็บเจ็บตายเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายแล้วพยายามปลุกผลทรมานจิตใจของตนให้ได้อย่างน้อยให้มีความสงบเย็นใจเสียก่อนเมื่อคนเราทามีความสงบมีความเย็นใจจะคิดอ่านไตรตรองอะไรก็ได้เช่นเดียวกับคนที่รับทานอิ่มน้ำชำระแล้วใจดี ไม่เหมือนกับคนกําลังหิวโหวยอะไระมาแตะต้องไม่ได้หอยแต่จะโกรธจะฉุนเฉียวท่าเดียวเมื่อได้รับทานอิ่มหนําทำนันแล้วใจสบายนี่ลักษณะของใจที่มีความสบายด้วยธรรมะไม่หิวโหวยก็ไม่ชอบจะโกรธไม่ชอบจะโลภไม่ชอบจะหลงไม่ชอบจะโมโหโท่โศกับใคร มีใจเย็นสบายอยู่อย่างนั้นนี่หละเป็นทางให้สงสารได้จงแล้เราจะคิดอ่านไตรตรองในธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็มีทางที่จะพิจารณาได้ด้วยกำลังแห่งความสงบนั้นเป็นต้นทุ น, นและหนูนปัญญาของเราไปเป็นลำดำับจนสามารถดูเหตุรู้ผล ในความมืดความสว่างที่มีอยู่ประจําใจทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เคยรู้เคเห็นเป็นนําหนักตําหนักไปเมื่อปัญญาที่อาศัยความสงบเยือกเย็นเป็นมาดฐานในก้าวตนไปอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยลี้รับปิดบงังภายในจิตใจก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาด้วยอํานาจของปัญญาแม่ที่จุดคือใจซึ่งเป็น ตัวการอันเคยพาให้เกิดแก่เก็บตายได้รับความทุกขาระบากมาเป็นเวลานานกอดถอดถอนตนออกไดจากสิ่งแวดล้อมไม่มีอะไรอันไดที่จะติดข้องภันในจิตใจได้นี่แหละทันเรียกมากมรรมาสุขผู้เดินทางถึงจุดนี้แล้วเป็นผู้หมดภัยเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ซึ่งเคยแวดล้อมหรือซึ่งเคยมีอำนาจกดขี่บังคับจิตใจก็หมดปัญหาไปในขณะใจที่ได้พ้นแล้วจากสิ่งเหล่านี้ถึงจะอยู่ในโลกเหมือนกับโลกทั่วๆ่วไปถึงจะอยู่ในขันคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกับคนและสัตว์ทั่วๆไปแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ขัน ไม่ใช่สมมุติถ้าให้ชื่อก็คือวิมุตต์อยู่ในสมมุติคือขันพอถึงการอันควรที่เขาจะสลายไปเมื่อไหรเท่านั้นปัญญาได้หว่านร้อนไม่หมดโดยไม่มีช่องโหว่ถึงกับได้บรรลุทึงความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วสิ่งอันนี้นจะสลายไปเมื่อไรก็ไม่ไปตั้งกฎเกณฑ์และเป็นข้อกังวลกับเขา เมื่อยังมีชีวิตก็อยู่ไปจะควรทำประโยชน์อะไรก็ทำไปส่วนประโยชน์ของตนได้ทำโดยสมบูรณ์แล้วเพราะถึงขั้นเบิสุดไม่จำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งใดมาส่งเสริมต่อไปอีกแล้วนี่แหละมรรคปฏิปทาของพระโพธจิจ้กจะยากลำบากแค่ไหนขอให้ได้ดำเนินไปได้วยความพยายามอย่าลดละจุดนี้เป็นที่รับรองกับ ท่านผู้เป็นนักบำเพ็ญด้วยความเพียรยู่เสมอและจะต้องถึงจุดนี้คือปลายทางได้ในวันหนึ่งโดยแน่นอนท่านตรดได้นำไปพิเนียรณาและส่งเสริมเพิ่มเติมคุณงามความดีของเราที่ได้เคยสร้างมาแล้วเป็นเวลานาน ให้มีกำลังกล้าขึ้นไปทุกทีทุกทีความมืดมิดที่เคยปกปิดภายในจิตใจก็จะค่อยเปิดเผยเป็นความสว่างขึ้นมาเช่นเดียวกับความมืดในกลางคืนถูกพระอาทิตย์กจัดขึ้นมาแล้วกลายเป็นกลางวันเห็นกันได้อย่างชัดเจนเช่นนั้นนี่แหละคำม่าวิชาที่เคยปกปิดจิตใจเมื่อถูกแสงสว่างคือดวงธรรมได้แก่ปัญญากำจัดหมดแล้วจะได้ปรากฏ เห็นชัดทั้งเรื่องของสมุดทั้งเรื่องของมีมุดทั้งสัจจะทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมักจะปรากฏอย่างเด่นชัดใจที่บริสุทธิ์แล้วก็จะหายกังวลในสิ่งทั่วๆไปในอวสารแห่งธรรมนี้เก่งขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงม า, าคุ้มครองท่านทั้งหลายที่ ต่างท่านก็ต่างพยายามนิจามาด้วยความเคียสลักและบำเพ็ญตนขอให้ได้บำเพ็ญตนเต็มสติกำลังความสามารถโดยปราะศะจากอุปสรรคอันตรายใดัทั้งสิ้นและจงถึงความมุ่งหวังดังที่ได้ปราศศสนาไว้แล้วโดยทั่วกันเอว่า